يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين ا ت خ ذ و ا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إنكم ن ت م ؤ م ن ي ن و ا ن จงอย่าได้ยึดเอามิตรกับผู้ที่เอาศาสนาของพวกเจ้าเป็นที่เยื่หยันและเป็นการล้อเล่นจากบรรดาผู้ที่รับคําิีก่อนพวกเจ้าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพึงยำเกรงเอา ล, ล้อเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ลและเมื่อพวกเจ้าได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดพวกเขาก็ถือเอาการละหมาดเป็นที่เย้ยหยันและเป็นการล้อเล่นนั่นก็เพราะเขาเป็นพวกที่ไม่ใช้ปัญญา ออจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าชาวคัมภี์ทั้งหลายพวกเจ้าไม่ได้ตําหนิติเตียนและปฏิเสธพวกเราเพราะอื่นใดนอกจากว่าพวกเราได้ศรัทธาต่อหลอและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมากแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานลงมา ก, ก่อนแล้วเท่านั้นและแท้จริงส่วนมากจากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ละเมิด ช่องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดใจฉันบอกแกพวกเจ้าไหม ถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นณที่เอเลาะคือผู้ที่เอเลาะได้ทรงสาบแช่งและกริ้วโกรธเขาและให้ส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นเป็นลิงและเป็นสุกรและเป็นผู้สการะชัยตนชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีตำแหน่งอันชั่วร้ายเป็นผู้ที่หลงไปจากฐานอันเที่ยงตรง และเมื่อเขาเหล่านั้นมาหาพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วทั้งๆโดยแท้จริงนั้นพวกเข้ามาในฐานะผู้ปฏิเสธศรัทธาและความจริงพวกเขาก็ออกไปในสภาพเช่นนั้น และลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเคยปกปิดเอาไว้และเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาต่างรีบเร่งกันทำบาปและเป็นศัตรูกันและการที่พวกเขากินสิ่งที่ต้องห้ามช่างเลวจริงๆ สิ่่งททีพวกกเขาระกันฉเหล่าบรรดาผู้รู้แจ้งในเรื่องของอลอและนักปราปเหล่านั้นจึงไม่ห้ามพวกเขาในการที่พวกเขาพูดในสิ่งที่เป็นบาปและในการที่พวกเขากินในสิ่งที่ต้องห้ามช่างเลวจริงๆสิ่งที่พวกเขาทำขึ้น وقالت اليهود يد الله مغلولة غللت أيديهم و َ ل ع ي ن بما قالوا بل يداه م ب ن س ط ة ليُنفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أُنزل إليك من رب كطغيان و ك ف ر ا ى ي ا أ และขี้นไ ن เล่ า, ววาของออَ่าดาต ل และเَื้ อ, องَ้า ا ل ล ب เยาวَแห่งการกิจการทั้งหมดที่าตั้งใจะหั้งหมด้งใั้ง่เราตั้งใจจะทำ่าตัะห้สำเร็จทั้งหมดที่เาตั้ง้เรวจม่ามตั้งะหเขัเาตังะทหั้ี่เาตทงี่เราตั้งำหที่าตำรวนต และพวกเขาได้รับการสาปแช่งเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูดไม่ได้พระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ถูกแบออกต่างหากซึ่งพระองค์จะทรงแจกจ่ายออกไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้บานของเจ้านั้นเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธศรัทธาแก่จานวนมากมายในหมู่พวกเขานั้นและเราได้กอให้เกิดการเป็นศัตรูกัน และการเกลียดชังกันในระหว่างพวกเขาจนถึงวันกียร์มาทุกครั้งที่พวกเขาจุดไฟขึ้นเพื่อทำสงครามเอเล็กก็ทรงดับไฟนั้นเสียและพวกเขาเพียงพยายามบวนทําทายในแผ่นดินแ ล, แล้วรนนั้นไม่ทรงชอบผู้ที่บวนทําลายทั้งหลาย หากชาวคอมพาวเตอร์ศรัทธาและยำเกรงแล้วแน่นอนเราจะลบล้างบรรดาความชั่วของพวกเขาให้พ้นไปจากพวกเขาและแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م منهم أمة م ق ت ص د ة وكثير منهم ساء ما يعملون หากว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอนและคัมภีร์อินยินและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาจากพระผู้บยญาาของพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะได้บรุรโภคสิ่งที่มาจากเบื้องบนของพวกเขาไปแล้วและที่มาจากภายใต้เท้าของพวกเขาในหมู่พวกเขานั้นมีกลุ่มหนึ่งที่มีความยุติธรรมและมากมายในหมู่พวกเขานั้นช่างเลวจริงๆ สิ่งที่เขากระทำกันยาออยรสูล ك من إ ن لم ت ف فما ب ت ر س ا والله يعصمك من الناس إ الله لا ي ه د ق م ك ا อาสนาทูตเอ่ยจงเผยแร่จากสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้า จากพระผู้อภิบาลของเจ้าและถ้าเจ้าไม่ได้กระทมเจ้าก็ไม่ได้เผยแพร่สารของพระองค์แลอลอ้นั้นจะทรงครุ้มครองให้เจ้านั้นพ้นจากมนุษย์แท้จริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงให้ทาง น, นำจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา จงกล่าวเถิดม so ูฮัมหมัดว่าชาวคัมีรทั้งหลาย พวกเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดจนกว่าพวกเจ้าจะปฏิบัติตามคำผีตารอดและคำผีอินยินและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าจากพระภุบาลของพวกเจ้าและแน่นอนสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระพุบาลของพวกเจ้านั้นจะเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธศรัทธาแก่จำนวนมากในหมู่พวกเขาดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเลย แท้จริงบัรดาผู้ที่ศรัทธาและบัรดาผู้ที่เป็นอยู่และเป็นพวกซาบีอุ และบรรดาผู้ที่เป็นคริสต์นั้นผู้ใดที่ศรัทธาต่อร้อนและวันพรโลกและกระทำความดีแล้วก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจลอบอบ ถ้าจริงนั้นเราได้เอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาอย่างพวกเขาทุกครั้งที่าศาสนทูตคนใดนําสิ่งที่จิตใจของพวกเขาไม่ชอบมาอย่างพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ฆ่าเสีย เพราะเขาคิดว่าจะไม่มีการทดสอบใดๆเกิดขึ้นและพวกเขาจึงได้ตาบอดและหูหนวก แล้วรนั้นก็สรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็ตาบอดอหูหนวกอีกเป็นจานวนมากในหมู่พวกเขาแล้วรนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทากัน าาอันลลลนั้นไม่ยุ่งร م ์บิลลาหีย่่ั้่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ร่ั่ั่ันั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ัาแล้วและอัลั่ซีได้กล่าวว่าโอ้วงวานอิสรััััเอ่ย จงเคารพพักดีต่อรบผู้เป็นพระผู้ใบานของฉันและพระผู้ใบานของพวกเจ้าเถิดแท้จริงผู้ใดให้มีภาคีเกิดขึ้นแก่อลรแน่นอนอรรนั้นจะทรงห้ามสวนสวรรค์แก่พวกเขาและที่พำนักของพวกเขาเน้นคือนรกและสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ ถ้าจริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอาลัลลอฮเป็นที่สามของสามองค์นั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว ไม่มีพระเจ้าที่สมควรสักการะนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหละพวกเขาไม่หยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าวแน่นอนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขานั้นจะต้องประสบกับการลงโทษอันเจ็บแสบพวกเขาจะไม่สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวต่อเหรอ และขออภัยโทษต่อพระองค์กระนั้นหรือแล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอมัล์มีซิฮุบุนมะริมอิลลารัสูลุมคดุขัลต์มิับิลิฮิรุสุลวแอมมุฮูศิดดีกะแคนายัคลานิตต์อามันดุรไคยนบยลลหมุลอยาติทุลมันดรอันนู อัลมาซีบทของมารยับนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นศาสนาทูตคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดาศาสนาทูตก่อนเขาก็ได้ลงลับไปแล้วและมารดาของเขานั้นคือหญิงที่มีสัจจาวาจาซึ่งทั้งสองนั้นรับประทานอาหารจงดูเถิด ม, มูฮัมหมัดอย่างไรเล่าที่เราได้อธิบายองค์การต่างๆแก่พวกเขาและจงดูเถิดว่าอย่างไรเล่าพวกเขาจึงถูกหันเหไปได้ จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าพวกเจ้าจะเคารพสการะอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งซึ่งไม่มีอำนาจให้อันตรายใดๆและประโยชน์ใดๆแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้ส่งรอบรู้ ขุ่นยาอัล ك ะล์อัลกิตาَิล่าทั่ غير อัลฮ و กฟะและทัตตบิอูอัฮวาอัควมิ่นั้ด ل ัลลูมิ่นั้ดดัลวะด ل ลลูคัฟีร่าดัดด و ลลูมิ่นั้ดดัลจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าชาวคำพีทั้งหลายจงอย่าทำให้เกินขอบเขตของศาสนาของพวกเจ้าโดยปราศจากความเป็นจริงและจงอย่าทำตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกหนึ่งพวกใดที่เขาได้หลงผิดมาก่อนแล้วและได้ทำให้ผู้คนมากมายหลงผิดด้วย และพวกเขาก็ได้หลงผิดไปจากทางอันเที่ยงตรง ين ين م م. บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานในหมู่วงวานอิสราอยนั้นได้ถูกสาปโดยถ้อยคําของนบีดาวูดและอีสาบุตรของมารยัม ก็เนื่องจากการที่พวกเขาฝ่าฝืนและที่พวกเขาเคยละเมิดกันปรากฏว่าพวกเขาตา่างไม่ห้ามปราบกันในสิ่งไม่ชอบที่พวกเขาได้กระทำมันขึ้นช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกเขากระทำกัน เจ้ามูฮัมหมัดก็จะเห็นอย่างมากมายในหมู่พวกเขานั้นเป็นมิตรกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขาเองได้ประกอบล่วงหน้าเอาไว้สำหรับพวกเขาอันเป็นเหตุให้อ AH ัลลอฮ์ทรงกริ้วพวกเขา แลลลละเะเพราาขจคงงออยู่ในกทกทษตดหากพวกเขาศรัทธาต่อ Allah และน บ, บีและสิ่งที่ถูกประทานลงมากแก่เขาแล้วพวกเขาก็จะไม่ยึดเอาเขาเหล่านั้นเป็นมิต แต่ทว่ามากมายในหมู่ของพวกเขานั้นเป็นผู้ทำชั่ว แน่นอนเจ้าจะพบว่ามูชนที่เป็นศตรูอย่างร้ายแรงแกบ่บรรดาผู้ที่ศัทานั้นคือชาวหยุกและบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีต่อรอดและแน่นอนเจ้าจะพบว่าบรรดาผู้ที่มีความรักใครแกบ่บรรดาผู้ที่ศัทธาใกล้กว่า พวกเขานั้นคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นคริสนั่นวก็เพราะว่าเ่ราพวกเขาไม่เยอะอย่าน เมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งที่ถูกประธานลงมาแก่ศาสนาธุดแล้วเจ้าก็เห็นตาของพวกเขาหลั่งน้ำตาออกมาเนื่องจากความจริงที่พวกเขารู้โดยที่พวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลโปรดได้ทรงจารืกพวกเราไว้ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันด้วยเถิด และไม่มีเหตุผลใดๆแก่เราที่จะไม่ศรัทธาต่อล่อและความจริงที่มาอย่างเราและเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่พระผู้ยบาลของเราจะทรงให้เรานั้นเข้าร่วมกับ ฟะอัทับบ هم อัลลอฮฺบิม่ากล่จันนต์ที่เจริ่มใต้หั่อันหารุ่งกาลีน์นี่แล้วเราก็ได้ส่งตอบแทนแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขากล่าวซึ่งบรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพมนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นแหละคือการตอบแทนแกบรรดาผู้ที่กระทำดีบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก ل ل โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าห้ามสิ่งดีๆในสิ่งที่อรรรไดทรงอนุมัติแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าละเมิดถ้าจริงอรรรนั้นไม่ทรงชอบบันดาผู้ละเมิด َكُلُوا اللَّهُ اللَّهَ พวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สรงให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าและจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด ي م ا ن ك م ولكن ي ا خ ذ ك م بما عقدتم الأيمان، فكفارةه طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Allah um um ลลจะไม่ส่งเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไร้าสาระในการสาบานของพวกเจ้าแต่ถ้ า, าพระองค์จะส่งเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าจงใจสาบานแล้วสิ่งไถ่โทษมันนั้นคือการให้อาหารแก่คนยากจนสิบคนจากอาหารปันกลาง ของสิ่งที่พวกเจ้าให้เป็นอาหารแก่ครอบครัวของพวกเจ้าหรือไม่ก็ให้เครื่องนุ่งโฮมแก่พวกเขาหรือไถ่าทาสคนหนึ่งให้เป็นอิสระผู้ใดไม่พบก็ให้มีการถือสินลตสามวัดนั่นแหละคือสิ่งไถ่โทษในการสาบานของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้สาบานไว้และจงรักษาการสาบานของพวกเจ้าเถิดในธรรมนองนั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงอธิบายบรรดาองค์การของพระองค์แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ ي ย่าَ ا ๋ยเฮ م ที ن و ั ا นอَ่นْ ر นอินมาลขมร์แ ص ะมิสิร์ ل ละอันซับ م ละอัลลาหมุรจิ ع ุ م จ ل กงานขอ ا ชัَกันริจิสุมจากงานของช ت ยกันที่จะตันบหลาทอั้งหลายที่จริงสุราและการพ น, นันและท่านหินสำหรับเชื่อสัตว์บูชายัน และการเสี่ยงติวนั้นเป็นสิ่งโสมุมอันเกิดจากการกระทำของซาตานดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จอ ถ้าจริงชวยตอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกัน ร, ระหว่างพวกเจ้าในเรื่องสุราและการผนันเท่านั้นและมันจะขัดขวางพวกเจ้าออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์และการละหมาดและพวกเจ้าจะยุติไหม และพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอ์และจงเชื่อฟังาศาสนาทูตของพระองค์เถิดและพึงระมัดระวังไว้ด้วยแต่ถ้าพวกเจ้าพินหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าที่จริงหน้าที่ของาศาสนาทูตของเรานั้นคือการประกาศอันชัดเจนเท่านั้น ไม่มีบาปใดๆแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี ในสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคเมื่อพวกเขามีความยำเกรงและศรัทธาและการการะทำความดีแล้วมีความยำเกรงและศรัทธาแล้วก็มีความยำเกรงและทำดีและลอนั้นทรงรับผู้ ก, กระทำความดีทั้งหลายยาไอุฮลล์ดีลอาเมนุลัยบลุอันนักุมอัลลอฮฺบิชัยอิมมินอัลซัยดิตนาลุอัลไอดีคุมวะริมาห์คุม โอภูษาธาทั้งหลายแน่นอนอัลลอฮจะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งอันได้แก่การล่าสัตที่มือของพวกเจ้าได้จับมันมาได้และหอกของพวกเจ้าด้วยเพื่อเราจะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระองค์โดยที่เขาไม่เห็นพระองค์ แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะรับโทษ อ, อันเจ็บแสบยาไอุฮัลลัลลิ م َ ن ُ و ا ل ا ت َ ق ت ل ا ل ص ّ ي د َ و َ أ َ ن ت ُ م ح ُ ر م و َ م َ ن قَتَلَهُ م ِ ن ك ُ م م ت َ ع م ِ د ا ف َ ج َ ز ا ُ م م ِ ث ْ ل مَا ق ت َ ل َ م ِ ن ا ل ن ع م يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام الليد و ق و ب ا ل أمره عاف الله ع ما سلف ومن ع ا د ف ينتقم الله منه والله عزيز โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าฆ่าสัตว์ล่าโดยที่พวกเจ้ากําลังครองเอียรออยู่และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าได้ฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไซการชดเชยก็คือชนิดเดียวกับที่ถูกฆ่าจากป่าชุสัตว์โดยที่ผู้ยุติธรรมสองคนในหมู่ของพวกเจ้าจึงทําการชี้ขาดมันในฐานะเป็นสัตว์ผีที่ไปถึงอัลกับะ หรือไม่ก็ให้มีการไถ่โทษอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารแก่บรรดาคนยากจนขัดสนหรือสิ่งที่เท่าเทียมสิ่งนั้นด้วยการถือสินุดเพื่อที่เขาจะได้ลิ้มรสผลภัยแห่งการกระทาของเขาเอาลัลลอฮฺได้ทรงอภัยให้จากสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วและผู้ใดกลับไปกระทาอีกอลัลลอฮก็จะทรงลงโทษเขาแ ล, าล้วลอนั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงลงโทษ الل ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าในทะเลและอาหารจากทะเลทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าและแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้ายังครองอิรอมอยู่และจงยังเกรงอโลเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมไปสู่พระองค์จงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจงจ Allah ได้ทรงให้อัลกับะอันเป็นบ้านที่ต้องห้ามนั้นเป็นที่ดํารงอยู่สําหรับมนุษย์และเดือนที่ต้องห้ามและสัตว์ผีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่ขอพวกเป็นสัตว์ผีด้วยนั่นก็เพื่อพวกเจ้าจะได้รับรู้ว่า แท้จริงอัลล์นั้นทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นบินและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งพวกเจ้าเพิงทราบเถิดว่า แท้จริงอลัลลอ์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษและแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษทรงเมตตาเสมอ